จัดงานร้อยปีหลวงพ่อเทียนที่กรุงเทพผ่านมาแล้วเป็นงานธรรมโคดนะคือโปรโมทโฆษณาวิธีการหลวงพ่อเทียนพูดถึงเรื่องการเจริญสตินคือกระตุ้นสังคมให้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วเสนอเรื่องนี้สู่สังคมแบบเป็นชิ้นเป็นอันกระตุ้นโดยเอาคนที่มีประสบการณ์ ทางด้าการเจเริญสติแตะเป็นผู้มีบทบาทในทางสังคมนะ่มาพูดมาคุยให้กันฟังเอาหมอประเวศเราอะไรประมาณเนี่ยนะ ห, หลายๆคนช่วยกันพูดทางเพียรพระทางคาววสเจี่ยงใหม่ก็จบไปแล้วที่ผ่านมาก็มีญาติธรรมเราพขสมควรนะ แล้วก็ที่สกลนครสกลนครนลงตาก็จัดในมหาวิลลยก็รู้สกวจะมีคนมากที่สุดเพราะมีนักศึกษามีนนท์มีนี่เสรษฐายแต่มันอยู่ในช่วงที่เขามีกีฬามหาวิลลยราชพัฒน์เขาอิสานก็เลนมันไม่ห้าพันหกพันขึ้นไปนะก็3 0สามพันกว่ามันแต่คนในเป้าหมายคือ อาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยยังมีน้อยคนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมเนี่ยคนที่ขยายต่อเรื่องนี้มันยังมีน้อยที่วัดสมนั้นก็ไม่ได้อบรมนักศึกษาเอ้ยไม่ได้อบรมนักเรียนนักอะไรมานะตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี4ีสองมันได้ลงการเลือกอบรมนักเรียน4ี่สองสี่สาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่ได้อบรมนักเรีย น, น แม้แต่นักศึกษาก็บ่ายเบี่ยงคือเขาให้ปีละแปดร้อยคนอแบรบมนะเข้าชุดละสองร้อยแต่มันเหนื่อยคนนักศึกษาแต่กับคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมก็พอมีอยู่แล้วคนที่ตั้งใจแบบนี้คือเขาไปกันเองเนะี่ยทงเน็ตบ้างทั้งอะไรบ้าง <c oughs> นั่นก็เหลืองานอยู่ที่ปักใต้เนาะ พอาปากใต้แล้วจะมาปิดงานที่ทับมิ่งขวัญทับมิ่งขวัญเริ่มจากคือตรงที่หลวงพ่อเทียนตายนะใครจะไปก็ไปที่จังหวัดไหนจังหวัดเลยนะทับมิ่งขวัญท่านตั้งทับมิ่งขวัญมันเป็นเกาะเล็กๆแม่น้ำเลยล้อมรอบเวลาฤดูน้ำมาน้ำท่วมนะท่วมเท่านี้แหละนี่ ท่วมวัดขึ้นไปเท่านี้เท่าที่หลอดไฟอยู่นี่นะจะวัดจะพื้นวัดนั้นกุฏิก็ท่วมหมดเขาก็สร้างศาลาหลังหนึ่งหลังใหญ่ๆสองชั้นให้น้ําท่วมขึ้นมาถึงขือตัวเนี้ยแต่พระเนรก็เาเขาจะอยู่ข้างบนน้ํามันท่วมต้องพายเรือออกไปบินทะบาทนะแตถ้าน้ําลดมงกรล้าองค์แดงองค์ใหญ่เขาก็จะ ความไว้น้ำเต็มเลนี้มันพื้นมันดูดมันก็ไม่เคลื่อนที่หรอกน้ำาดแล้วก็ตักออกทิ้งแต่ท่วมนี่โอ้ยเหม็นหน้าดูเลยคือมันน้ำท่วมทั้งวัดเลยนะท่วมขึ้นขนาดนั้น่ะมันไปดูเขาจะจัดงานร้อยปีหลว ง, งพ่อเทียนเกิดปีห้าสี่สี่ห้าสี่ตอนนี้ก็ห้าห้าสี่มันก็ร้อยปีพอดีนะครบร้อยปี ท่านเกิดมาครบร้อยปีแต่ท่านเข้าถึงธรรมะปี 2,500 ได้กี่ปีแล้วห้าสิปีเข้าถึงธรรมปี 2,500 แล้วใช้ชีวิตแบบคารวาสสอนธรรมะอยู่2ปี8เดือนหลังจากนั้นจึงมาบวชบวชปี 2500, 2 5 0พันห้าร้อค่ะ 500, หร้อยสรเดห้้ยมเขียนไว้ในหนังสืออยู่หรอก จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะท่านสอนเรื่องเดียวสอนแต่เรื่องให้คนบรรลุธรรมไม่ได้พูดเรื่องศีลทำไม่ได้พูดอะไรเน้นตรงไปตรงจุดเดียวนี่นั้นพวกเราทั้งหลายอคนรุ่นหลังๆเราก็เห็นอุปการะคุณที่ท่านมีให้กับลุกชายอย่าพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปเครึ่งพุทธศาสนาแต่ก่อนมันถูกปกปิดมันเข้าใจยากแต่พอหลวงพ่อเทียนมาเปิดเนี่ยอืทําให้คนเข้าใจ พุทธศาสนาในมุมมองที่มันตรงมากขึ้นก็เลยจัดงานนะโฆษณาหลวงพ่อเทียนทุกโฆษณ า, าวิธีการนี่แหละการเจริญสติการเข้าถึงธรรมร0อปีหลวงพ่อเทียนในต่างประเทศก็มีนะนต่างประเทศก็มีในประเทศไทยก็มีในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลกเขาก็จัดปี54ตลอดทั้งปอีอาทิตย์แรกของเดือนตอนบ่ายวันอาทิตย์ เราลองเข้าไปดูดิในเว็บไซต์เวิรบุรีซึมนะก็จะเห็นอยู่ในนั้นแหละงั้นใครจะไปก็ไปไปฟังธรรมะมาวิไลยโลกอยู่ในไหนพุทธศาสนาโลกอยู่ที่พที่พุทธมนตรนี้เองนะไม่ใช่ต่างประเทศนะจัดจัดไปฟังตอนบ่ายเฉพาะตอนบ่ายเพแล้วก็จัดปฏิบัติทำกันทั่วๆไปที่นั่นที่นี้บ้างพรุ่งนี้เนี่ยจัดที่สงขาสงขา ตัวที่สวนธรรมสากลที่หลงพิโอเทียนเคยอยู่ที่หาดใหญ่ใครจะไปก็ไปจบงานที่นี่แล้ววันที่ย9ิบเก้าค่อยไปยู่สิ้าตอนเช้าเดินทางไปร่วมงานเขาแล้วจากที่หมหาวิลลยสงขาลานครินวันที่ย8บแปดที่ย9ิบเก้าจัดที่หาดใหญ่นี่ โยมคนหนึ่งที่นั่งตนนั้นที่หายไปที่เบานะนั่นคือออกเดินทางแล้วเนี่ยไปแล้วที่หาดใหญ่ก็กลุ่มร่วมจัดงานส่วนหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ยติธรรมเรานี่แหละกลุ่มอะไรมีกลุ่มพุทตุลาศึกษากลุ่มอะไรละกลุ่มเยาวชนสืบสารอะไรปากใต้เรื่องอะไนี่นะ ส่วนมากก็คือเป็นเป็นคนที่เคยฝึกอยู่ที่วัดโสมวันนั้นเขาก็จัดงานในช่วงนี้ที่โน่นมีนิเทศการมีโน่นมินิหลวงตาก็เลยเขาต้องไปร่วม ง, งานเขาไม่ไปก็กระไรโยงนะเขาก็เหมือนลูกศิษย์วัดจัดงานก็จัดงานให้หลวงพ่อเทียนจัดงานโปรโมทโฆษณาเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรมก็มีการ แสดงปาตกถาที่มหาวิไลพวงนี้ใครจะไปฟังหลวงตาพูดก็ไปที่มหาวิไลสงขาเข้าไปพูดที่นั่นหน่อยนึงแล้วก็ที่สวนธรรมศากลอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นคุณจิ๋วบอกนะเขาว่าเข้าทําตั๋วให้หลวงตาพิเศษเข้าประเทศมาเลเซียน่าจะไปพูดที่กาลันตัน ไปไกลคงจะกลับมาทันเราปฏิบัติทำอยู่หรอกคงยังไม่เลิกหรื อ, อยังไงทันไหมประมาณวันที่หนึ่งเนี่ยทันไหมเห็นแต่ลอยเหรอเนาะง <c oughs> ั้นหลวงตาก็อยู่กับพวกเราได้ประมาณสักพรุ่งนี้เช้าหลวงตาคงไปแต่เช้า <c oughs> คือพูดก็ประมาณประมาณประมาณเที่ยง หสี่โมงห้ามงประมาณนี้แหละคือต้องขึ้นเครื่องไปให้ทันเขาแต่เ้าเลยบอกว่าที่จริงเขาก็นิมนต์ไปก่อนแหละแต่ว่าอืมอยู่จนที่สุดของการอยู่ที่นี่ อ, อย่ากอยู่กับพวกเราให้ใหนานๆคือเผื่อเป็นกำลังใจนะนะั่นแหละนี่ก็เล่าให้ฟังพวกนี้นอนกลางวันได้เต็มที่แหละเนาะ <c oughs> ไม่มีใครไปตรวจสอบกูละนี่นะแดีวแต่กูจะนั่งสุบรีตอนไหนก็เอาแต่โลตาคิดว่า เราสอนกันมาแนะนำกันมาพอถึงจุดที่น่าจะพ้นขีดอันตรายได้แล้วพรุ่งนี้น่าจะทำได้เต็มที่อยู่ทำเองเป็นนะครูบาอาจารย์เราท่านก็จะดูแลช่วยกันดูแลก็ขยันขันแข็งตั้งใจทำพอช่วงที่มันยา ก, ยากลำบากอะไรก็หลวงตาก็ช่วยเต็มที่แหละช่วยแนะนาช่วยผ่มสอนช่วยอะไรช่วยพาปฏิบัติทำช่วยเดินดูให้ประมาณนะั้นก็คิดว่า ความห่วงความเหงาก็คิดว่ามันไม่น่าจะนั่งแอบหลับนะพวงนี้เนาะคงได้จะหรอกนะแต่คนต่างเริ่มไป้ายว่าเริ่มมีอารมณ์บางแล้วเนี่ยวงตาก็จะไปทําหน้าที่อันนี้ในวงที่มันกว้างออกไป น, นั่นเองแต่ก็จะกลับมาถ้าใครยังปฏิบัติทําอยู่ก็หมายความว่า i, จะเก็บอารมณ์ต่อมาอยู่ไปก็คงเจอับมาทีนี้เริ่มอีกครั้งหนึ่งวันที่สี่วันที่สี่ 4, มีคอร์ส ข้างหนึ่งปฏิบัติธรรมที่เนี่ยคุณลินคุณอะไรที่เป็นแม่ครัวนี่ก็เงินหมดก็จะไปขายของที่พวกนี้จะไปหาเงินแหละก็ะเลยหลวงตาก็เอาเมตีน้อยสององค์มาช่วยทําครัวช่วงนั้นนะใครที่คิดว่าที่จะเสียสละเพื่อพศาสนาละ่ะกูไม่พูดแต่ปาลกล่ะกูจะ อ, อ, อยู่ช่วยทําครัวก็อยู่เถอะอยู่ช่วยเมตี สององก็ได้สี่ถึงสิบเอ็ดแม่ครัวเราก็จะไปขายของไปขายของไม่ได้ขายบ้านเราได้ประเทศอินเดียนู่นน่ะคือขายของบ้านเราในคนไม่ค่อยซื้อแล้วคือเป็นหลอกขายให้แขกมันประทอินเดียนันเขาเชิญมาทางกรมการค้าภายในโกอะไรย่พวกนี้เขาจะมีของไปขายขายผ้าขายผ้าขายอะไรนี่น่ะสินแท้เขา นั้นก็แนะนำให้ว่าช่วงนั้นมีอันนั้นช่วงนี้มีอันนี้งานงานทัพมีขวัญเนี่ยวันที่สิบแปดสิบแปดสิ24กยี่ยี่บอยิบสองยิบสยี่บสี่ไปถึงวันที่ย4ิบสี่อันนั้นก็คงก็คงได้ไปช่วยกั น, น, น, นก็อนุมโมทนานะเอาเตรียมตัวอ